สเตสังวาจานั้งสตวมมาตุณาตามัทังอะโรจีสิติสหทาวดุราสปุริตาตั้งหลายตั้งยิงใจมวนหมู่การนั่งอยู่ดาฟัง นี่ใหญ่ยังไปแล้วพระตนแก้วจริเทานาวาโสเตสังวาจะนังสุตวาดังนี้เป็นตนพี่ก้าเวดูราพี่โกตั้งหลายอันเป็นสายอริยชจ้าสินสะอาดใสสีส่วนว่าเจ้าบุญพี่ยอดซอยคือเจ้านอน่อยสินทารูใจฟังกำไคบอกเหล่าแห่งพี่เจ้าหกใจ <c oughs> จริงไฟถายน้อมไว้บอกแม่ไทยจูภาคานังนงคานผู้แม่จริงเก่าแก่บุตตาว่าดูราสายสิเนหาลูกแก้วแม่บอกแล้วหลายที่ว่าเราได้ดีจาก้องมาอยู่ต้องดงนาเหตุมันดาใจเศร้า แต่งเขาเจ้าหกใจแต่งอุบายลายลาคือเราภากานีกลัวเราดีไปนาะเป็นเจ้าฝ้านำปน <c oughs> เขาหกคนนี่เราแม่นลูกเก่าสัตวูเขามาจูบอกเา่าอย่าฟังเฝ้าฟังเบาเบายี่ยวหมู่เขาอยาบจ้าจูไปฆ่าบำไย เขามีลายเรือแลลูกจากแปรสันได้นาเข้าใส่จะจนกำปากอ่อนวอนหูใจเขาดูบ่ได้ <c oughs> คนลุ่มใตยิงใจมีมากลายน้อยใหญ่ตางเกยไต่ไปมายาลาสาคำเจ้าจังโศกเศร้าไปลลุน ตามคุณจะใจแก่คนบาใบบ่เป็นยาขอบุตตาดูเต่าอย่าได้เข้าดองใครแดดเตอรเ <c oughs> มื่อนั้นสินธาดูใจนอไทยจริงน้อมใบใครจะว่าขา้าแดดพระมันดาเป็นเจ้าจุม้มหนุ่มเนาหกใจ หากหลายได้ลายเป่าแม่นใหญ่เตา่าจังสารมีพระมานอันร้อยคาลูกน้อยบ่อนิ้นคมจักลองจำไปพอฮือแจ้งต่อสายตาหอมันดาติไวยาสกไม่มองขีจุงวางดีปันปล่อยฮือลูกน้อยตามใจแดกเตอ วานเมื่อนั้นป้าตุ้มมานอเนาฟังลูกเต้าไข่จ่าอดคุณนาบ่อใดจริงน้อมไว้อธิษฐาน <c oughs> รำบอนวานแต่เต้าอันอยู่ดาวดงนาว่าขอเจิญมาอย่าจะฟังบ่นคาจะไข่แม่นสายใจลูกน้อยได้กัดก้อยเมื่อมอน กางดงโดนปงป่าหือนมขาตั้งสองมีสีมองเหี่ยวแห้งเป็นเหตุแจ้งสัญญาแม่นบุตรตาหน่อยนาดมีอุบาทมาปาน <c oughs> มีไผยม า, มาตองในแห่งห้องอินทีกางดงรีป่าเศร้าขอนมหนึ่งเตายาันลงขอเตวาดาแดนดงป่าไม่วังแวดไก่รุมรา เธอบุตรตาหมอนคาได้ปอกนามาปั่นกันอธิทานดังดีแล้วนังแม่แก้วเทวีก่อไข่ํำดีอนุญาตเธอหลกกรกราดไปดี <c oughs> ว่าแม่นเจ้าบุญมีโลกลาบักไข่กว่าดงไพรจุงตามใจมักไฟปั่นปอกได้ขึ้นมายาล萨าพ า, ามาจุงคึดขวาดเล็งหัน เขามันไปก่อนลูกก้อยผ่อนจอมหลังก็ําสั่งก็แล้วเฮือลูกแก้วพิจารณานางป้าตุมมาหน่อเน่าสอนลูกเต่าลายภาการก็มีหันแหลนาส่วนสิงหาราชใจหานลูกนางนงคานแม่เก้าคือนางหน่อเน่าสุวรรณนาปะพาก็ไปสากขับไปซึ่งแม่ไทยใส่ใจ ว่าลวกขอไปส่งเจ้าเข้าป่าเศร้าดงตันนางก็ปั่นปงขาดอนุญาตไปดีว่าจุงจักมีจกใหญ่หือสมไฟกิตนาฟูงโรกาฟาญ า, าตั้งอุบาทอันตารายอย่ามาไกลเกิดตองในแห่งห้องอินทีเมื่อไพมีมาไกล อย่าละ้องไทยสินทโนใจจุงเร็วไว้ช่วยปองือเจ้าน้องสัตดสดีอย่าละนีภาคนา <c oughs> จากน้องลาใจเดียวแด่เตอวันเมื่อนั้นสิงหาราชใจหานกับหนอปุทิญานายศญ่ กอดน้อมไวอำลายัางมานดาเป็นเจ้าว่าคาลูกเตาจากไปแอวดงไพร่่าไม่แม่อย่าได้มองผ่านจุงสำรานเจริญจ้อยในผาศาสอยมองคลลูกจากขนป๊กป อ, อกวายนาออกมาปั่นกันเอากันสั่งแล้ว ยังแม่แก้วสายตาก็ไกลกาใยบาดจากภาษายังข้านส่วนกุ ม, มารหน่อเน่างมบ่อเศร้าหกใจก็ผ่านภัายบ่อจ้าขึ้นขีม า, าจะในส่วนสินทานูใจองอาจก็ขี่พี่สิงหาราชคนคำ เพื่อเก่านำไปก่อนเข้าสู่บ่นดงดอนตามพระผู้ทอนป่อเต้าหากบอกเก่าไขปันว่ายักษ์กุมพันธยาบจ้าอุ้มอากวานีไกสยองไปสื่อนาสุดขอบฟ้าจอยบอยข้ามปูดอยห่มหวยวันตกจ่วยหนเนื้อเป็นขุมเคลือป่าเ้า ชุมหนุ่มเน่าใจารามก่อไปตามกำบอกบอกแว่ออกต่างใดและนาน่อนผู้ทอนปีน้องดันเถื่อนทองดงนา <c oughs> ข้ามดอยผาปากว้างฝูงแรด จ, จ้างและเสือมีเอากันหนีกับพากละเว้นจากตั้งเที่ยวเจ้าตาเขียวหน่อเน่ากบปีเจ้าหกใจ อ้กันไม่ซื้อนาบุบุญป่าดองตันลายขึ้นวันนับใดจริงรอดน้ำใ่นาทีน้ำใสดีสะอาดกว้างขานาดสุตตามีปู่ป่าลายมูลาเล่นอยู่โดงงามจุมใจรำพี่น้องก็ยังอยู่ห้องดอนาย เพื่อกหื้อหายอิทอ่อนกึศนพอบนต่างไปก็มีหัน่นเลยนาะตาตาในกาละนันไส ย, ยังมีหนากใหญ่งอนแดงฤทธิ์ที่แรงอง์อาจอยู่ติหาดกงกามันรักษาอยู่เฝ้า โตคำเจ้าคืนวันสัตว์ไดพันไปรอดมันไล่ตอดเอากินมันหันน อ, อนนารินตั้งหมู่ยังเล่นอยู่ดอนายโก้ท่าลายเดือดไม่เล่นมาไกลาจะทมว่าดราใจารามมวนหมู่สู่จะไปสู่แดนใดสังมีใจหัดเท้ามาหลวงดาวแดนกู สังบอดูหื้อแจงยะดังแสงดูแคลนภายลำแดนกู้แล้วบบกัดแก้ววัใบายสู่ตั้งหลายจู่ผู้เตียงเข้าสู่มารณาเะแลนาเหมือนนั่นสินทะนุใจนอน้อยจริงก่าวถอยเจียนจาว่าจุ่มเราราปีน้องมาสู่ห้องดงตันเพื่อภายพันซอไซ ยังอาไทยใส่ใจอันอยากไพรอยากจารักเอากว่าหายตาเราเตียวมาหิวหอดจริงมารอดดอนไซยบ่มีหมายสังเกตว่าเป็นเขตแดนใดบ่มีภัยก่าอู้หือได้รู้เดิมอ่อนเราเตียวจรนมาจอดจริงยังจอดเศร้าแรง บ่ใจแข่งหาเท้ามาดวงดาวคนใดขออดใจงดไว้อย่าเดือดไม่กทาแดเต <c oughs> ว่าอันตีนั้นหนากก่อนแดงขวเท้าฟังกํำกล่าวเจียนจาแห่งนอพุทธที่ราชซ้ำไม่มาดเหลือใจ อาเป็นไฟวาวาดเอาห่างฝาดดินทรายฝุ่นฟุ้งลายมืดกุมตั้งแต่ลุ่มถึงบนจางโนโงนลายหลากว่าสูอยาปากไปลายสู้เตียงตายแนมันบ่อได้ดันดองดอนจักได้นอนอองมองอยู่ในต้องตนกู อาญางูโกดใหญ่เล่นมาไกลเร็วปันก็มีหันและนะเห <c oughs> มือนนั่นฝ่ายปี่เจ้าหกใจยินกวัวตายใจจ้าขึ้นขี่มาเร็วปันเอากันยันรีพาวไปสู่ดาวสุตตา ละหนอปุทธานองไทยฮืออยู่ไก่อ้นตายพอดูได้จู่ผูกกัวสันอยู่แดนไก่ <c oughs> ส่วนสินธนุใจน้องเนาคานิงเหล่าสั ป, ปันวากันกูฟันด้วยดาบหรือรบภาพด้วยธนูฟาญางูหยาบจะเตียงความนามรณา บาปกำรนาบ่อน้อยจักจองหอยตัวกวู้ควรฮือบุญจูปีเจ้ารบภาพเขาลองเจิงกันร่ำเปิืองดังนี้แลว้วเจ้าหน่อแก้วสินธ้นดูใจก็ฮือปีใสใจองอาจคือสิ่งหาชบุญมีไปราวีรบสู่ฮือนากรูเตจา ฝ่ายพระตาปีเก้าคือสิงหราเจ้าคนคำได้หนินกำน้องล า, อาปากทาเร็วไว้เต้นบิดไปกลับไวยังหลังนากใหญ่สับปันสองติ่นยันตื่นญาติปากกับฟาดไปมานากราจาปิดไรบ่อตันสายไปได้เจ็บเหลือใจไว้วันดูปอลันตั้งตัว มีความกลัวสะตานลวดปลายกันถอยนีลงนาตีแม่ใหญ่ขาบอยู่ไต่กงก้าก็มีหันและนะเหมือนนั่นสินธนุใจหน่อเนาหันปีเจ้าหกใจอันกลัวตายความนาไปอยู่ทาแดนไก่เจ้าจริงไปตันเหล่ากับปีเจ้าหกใจ ว่าโสตั้งลายมวลหมูจากเกาอเอาดีว่าเมว่าเวทมนต์ดีใจจ้าถือดาบกาคมบางเขาดงควางฝ่าไม้รบภาพใดนานาสัตวดงดาอยา่าบไรบอกการไปถอยหนีตั้งยักษ์ผีกาหยาบขามรบภาพจอมกัน บาดนีหันงูน้อยสู่สังป้อยนีไก่แม่นมีไั่ใหญ่กาเกิดต่อหน้าปลายลุ่นสู่จักหนุนรบภาพช่วยขันอับบวรอนมีเตี่ยงเล่นนีตั้งหมูเอกูอยู่เดียวได้สู่ตั้งลายอวดอูววาเข้าสู่นหนองนาแม่นไผยมาเกิดไก่ขมรบได้จุพการ ตีแต่หานแต่ปากใจนั่นหันกว่าตายเจ้าบุญภัยนอไทยเก่าย่อใหญ่ไหลพระการก็มีหันและนานามทางประกาศเสนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาดถอยบาลี หมดหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวะโสเตพาตารมัตป่าดังนี้เป็นตนพิกาเวดุราพิกูตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมอันว่าเจ้าบุญดำน้อยนาดกันนาการานี่ไก่ดำลงไปใต้น้ำบ่อปอกซ้ำขึ้นมา เจ้าเล็งหาปีไทยบ่ออยู่ไกลสักคนเต้าถอยห่นหลีกหน้าไปอยู่ท่าแดนไก่เจ้าก่อไปบ่จ่าก่าวต่อหน้าหกใจว่าสู่ตั้งหลายจูโูเต้าอวดอูอวดดีว่าเวทวนมีหลายแหลปืนปิดแผลยายำดาปักคำหมามาปาดรบภาพสัตรู อันมาจูตีไก่ตั้งยักษ์ใหญ่กุมพันสัตว์ดองตันหยาบจาอาดไล่ขาฟันแ้งสูนั่นแข็งแต่ปากใจนั่นหากกวัวตายหันนากล้ายมาไก่อยู่บ่อใดสักคนป้อยถอยหันเล่นรีมาอยู่ตีแดนไก่แม่นต่อไปไปนาปะยักษ์ป่ากุมพัน ในดงตันป่ากว้างตั้งแรด จ, จ้างเสือมีสูเตียงนี้เป็นแกนหกวิ่งเล่นตั้งจุม่มอันจักรุมต่อตาดังป่ากว่าบุรอนมีจังลนะตั้งสุดตัวสวนกุมมันหนอนางามบ่เศร้าหกใจยังขัวาตายบ่าขาดฟังถ้อยวาดกำจา่าแห่งพาตาน้องเนา อันตานเล่าลายผักการลวดบ่อคานตอบทอยนาตำก้อยมองเงาตางสมเศรัดักอยู่บ่อเก่ากําไดก็มีหั่นแลยนาเมื่อนั้นสิ้นธานุใจหนอน่อยจริงกับทอยกําไปว่าน้านี่ไหลใจจ้าฟังกํานาสุตตาเฮือเปหาบ่อใดตังจักใจบ่หันหุน สู่ฮกคนผู้ปีจุงอยู่นีรอราอยากไก่กาละผากจกย่ายจากไปไก่เราจักไปกำนาลาสอดป่าดงตันจากซอพันือใดยังอาไทยคืนมาเอปีตาป่อเจ้าหายสงเศร้าเจยบ้านหกกุ ม, มารผู้ปี นาหมนเส้าเสียสีจากกรรมดีตอบตาว่าแม่นน้องลาจากไปกลางดงไพรป่าไม้ละปีว้ยดอนสายปีหกใจจู่พูเตียงเข้าสูโมรน า, าขอพ้าตาน้องจันอย่าได้ดันเดียวปอยแด้เตอ ว่าอันเมื่อนั่นสินธานนใจน่อเนาต่อพี่เจ้าหกใจว่าน้ำกวางหลายลำล้นคมจากปนสันใดแม่นเราไปตั้งหมู่ละมาอยู่ดอนท้ายฝูงเสืออ้ายก้าหยาเตียงบากราไปกินพ้านารินประเไทยจักโคดรไม่เครื่องใจ เราจากไปกำนาลาสอดป่าดงเขียวไปคนเดียวบอดจ้าจักปอกนาคืนมาจุงรอร้าอยู่นี <c oughs> อย่าลีกลี่ตามกำจักคือคนคำปีเก้าคือสิงหราชเจ้าพาดาอยู่รักษาห่มป้องสู่ปีน้องหกใจแลยนะ อังสุดต่าหกใจรำหนุ่มเนาใดยนินเจ้าใครขานมีใจบ้านเจืินยาาบ่อตานเก่ากำได้เต้ากึดใจจู่ฟู <c oughs> ว่าเราอยู่ <c oughs> ดอนท้ายอุนตาายมาไกยักถอยไรมาหาสิงหาราชาปีเก้าเที่ยงแลลนเขาราวี <c oughs> เราจักหนีรอดได้ละมันไว้เสียไก่แม่นเราไปตั้งนาสัตว์ยาบจา้าลวงหลายยักษ์ผีพายเป็นหมูเข้ามาสู่นำนาจุ่มเราราปีน้องเตียงเขาต้องตัวมันจักนีตันยินอยากเตียงได้ผากเมื่อมอน กางดงดอนตั้งหมูไผยบ่อรูขีย้าแม่นผ้าตานองลาดันดอนป่าคนเดียวเขา้าดงเขียวเถือนทำดับขาดความอินทีกางดงรีป่าไมเราเตียงใดใจบ้านสุขสำราญบ่อขาดนั่งภาศาสา์หอใจเขากึดใจจูผู้เต่าดักอยู่ภายในแน่นา เมื่อนั่นหนอปุถาดมดาวงามบ่อเศร้สาสินธาดูใจก่อเรียวไวขึ้นขี่บนหลังพี่สิงหาราชใจหานสาญญองซานบอดเจ้าเถึงฟังกำนาบัดเนียวเจ้าตาเขียวน้อยนาดก่อหือสิงหาราสใสใจปิกปอกไปอยู่เฝ้ายังเขาเจ้าหกใจ เป็นดังไมายบอกไว้บ่อหือใดเสียคำส่วนองค์คำเจ่องจันก็บุญดันดงไพรเตียวลัดไปสื่นาบุวบุญป่าดงดาลัดป่าข้าป่ากวยคมหอมหวยโดยจันลหลขึ้นวันมาไขจิงปะใส่จ้างโค้ง เต็มในดงป่ากวางบ่ออัดอางกาณาเตียวไปมาละลื่นเสียงข้าึ้นเดืองนั้นกันมันหันใส่เจ้าก่อแหลนเข้ามาไว้ยาดยายใ ย, ยแวดล้อมบงจอดอมจูป้ายจังตัวน้ยน้ำหนายืนอยู่ทาดาแตงจากกำแข่งต่อเจ้าว่ามึงนี่เล่าเป็นไผ จากไปไหนมารอดแอวลาสอดแดนตัวคงจุ่มปูเบื้องใหญ่ตัวร้อนไม่นำนามนุษย์จากย่าเพียนรบภาพื้นวัน <c oughs> ตัวเอากันตั้งหมู่มาลี่ยอยู่ดงนามึงยังมารอดใดตัวบ่อไวจิวังบึงอย่าวังปอกเตาคืนที่เก่าเมืองอ่อน เตียงเบื่อบอนบบาใจตัวจะกคามึงตายย่ำฮือหายกับฝุ่นสูนมุกมุนดินสายบัดนี้แหละนาเ <c oughs> มื่อนั้นมหาสัจเจ้าก่อตานเหล่ากำบาลว่าดราจังปสายสันัวใหญ่เรานี่ใจสามานใจบอ่อหานกะยับ บอรบภาพคนใดเรามาไกลลิวโลดลายร้อยหยดกาณ า, าเปืือต้วห า, าไทยอันยักบาใบ ป, ปานีเมื่หลายปีแต่เราแม่นสู่เจ้ายังหันจุงไขรปันบอกก่าวฮรู้ข่าวตั้งไปแดเตอ <c oughs> ที่นั่นจ้างป้ายสานตัวใหญ่ซ้ำโคดรไม่ใครจะว่ามนุษย์จ้าจูผู้กำปากอูมีในจากกำได้บ่เป็นแก่นปากบ่แม่นเหมือนใจปากก่อนใหญ่จื่อจอยเป็นดังอ้อยสูนตานหัวใจปานปิดงว่วนมีตัวทวนยิงใจบึงเตียงตายเป็นมัน บ่ได้ดันดงดานแล้วจ้างสานตัวใหญ่ก่อคดวังไวเร็วปั่นยกงายันจีฟ้าเงยหนียงนาดาแตงกมบีฮันเลนาตาสบิงค์คเน่ไดขาดดันใสอันว่าเจ้านอไท้สินธนุใจก่อเร็วไวขนาดเอามือฟาดใสธนู เสียงนั้นหูตัวดาวฝูงจ้างเต่าเป็นสายเล่นพันภายเป็นหมูป่าไม่รู้ไปฟังเสียงปอดังข้าคืนพับแผ่นปืนดงดานฝ่ายจ้างสารตัวใหญ่ก็ลูกใดสับปันยืนพัดพันปันกว้างกลัวจักมังมราณาจริงวันตาน่อมใบซึ่งเจ้าหนอไทยบุญมี ให้กำบีตานต่อว่าคาแดเจ้าปอสายตาจุงคุณนาภายโพดิ์เอปนโตตั้งตายคาตั้งลายมวนหมนูบ่ได้หูยังคุณแห่งตนบุญตันเต้าได้โคเท้านำนาจุงคุณนาภายโพธอดบโตดวางตั้ม แม่นองคำเจ้าฝ้าจากดันกว่าดงไพรค่ะจากไปส่งเจ้าท่าราบต่อเต้าสุดปลายแล้วจ้างไปตัวใหญ่ก็หมอบลงไก่หนอพุท ธ, ธ า, าราตานาจะใจคือเจ้าหนอไทยสอบอขึ้นขี่ข้อแล้วกว่าเดินดันป่าดงไพร เจ้าสินธนูใจบนกวางก่อขึ้นขี่จ้างตามคำ จ, าจ้าจงอาคำเพื่อแก้วใจของแผวยินดี <c oughs> ร้องลายตีเสียงแสนฟูงจ้างเล่นมาหามีนำนาบอน้อยมาเป็นท้อยเป็นสายแวดยังใหญ่เป็นตา ปอเต็มป่าดงดอนจัง ง, งอนเพื่อแกวร้องแสนแล้วสามราจริงไก่กายกย้ายเขาสู่ไข่ดงลวงจังปันพวงจอมกว่าไปตั้งหน้าและตั้งหลังจังไปปังปููแม่ปอเต็มแผสุดตาไลตัวมาสะสู่ร้องแสนอยู่เนึองนั่น ดังหิมบาวันท้องเถื่อนจากล่มเกือนไปปังก็มีฮั่นแลยนาโ <c oughs> สปิขอนว่าเจ้าสินธนูใจตนบุนกวางมีหมู่จ้างเป็นปริวานรัดดงด้านป่าไม ไปจ้าใจหลายวันจริงไปหันแม่น้ำสองฟังรมสุตาน้ำไหลามาลาลังปุ๊งพุงทังเป็นสายจ้างตั้งหลายมวนหมูห ล, ลวดยั่งอยู่เศราแรงเจ้าจอมแป้งหนัดน้อยจริงกะถอยคำหวานซึ่งจ้างสานตัวใหญ่พร้อมเสียงไข่ปังป้ายว่าตันตั้งหลายจูผู้ จุงจักอยู่สัสะดีอย่าได้มีอ า, าพาธมาต้องบาดกัญญาเราขอลาพร้อมพำมคำแม่นำฟ้องใสแล้วแอวไปจะใจเพื่อปันใด ย, ยังอากันเจียนจาเก่าแล้วเจ้านอแก้วผู้บ้านก่ออธิษฐานน้อมไว้ซึ่งเตะป่าไทยไปบน ว่าจุงมาดนจวยกำเฮาคำน้ำสมใจอย่าฮือไหลลองต้องตกสู่ห้องโกงก้ากันหนอพุท ธ, ธาจะขาดก็ยายบาเตียวจอบนสะกอน้ำใหญ่เป็นดังไตดินทรายจ้างปังปายหนุ่มเทาเล่งพ่อเจ้าอัศจันย์ลวดเอากันร่องแสนฮกวิ่งเล่นเจจม เจ้าอดมหนอไทยขามนํำได้สัตสดีแล้วลานีจากคันบุบุญดันดงงพร้าอข่ำตีในยังจอดแจงแล้วสอดเตี้ยวจอรขามสิงคอนดอยใหญ่ลางเตือไตริมเหวเต้าตอนเดียวบ่มีเปืือนบุญดันเถือนตั้งวัน ลางเตือหันสัตวปาสอดเล่นลาดวงลายตั้งกวางทารายแรกจ้างเขาบ่ออางราวีตั้งนางนี้ก่างเทาพ่องอยู่เฝ้าป้อมเฟือยพ่องเล่นเลยเป็นหมูร้องหาโกนดันเนื่อมีตั้งเยงื่อละมังวัวเถื่อนลังลงปงได้แดนดงป่าไม้สัต์ยนยใหญ่นานา มีนำลาลายมูลาเล่นอยู่แกมกันล้างเทือหันส่วนดอกพงกี้ออกงาบตาดังคนมาแต่งสร้างส่วนใหญ่ยยกว้างดูดีมีลายสีลายสิ่งกันท้าหญิงเอาใจอบทาหลบไปตัวห้องพับเขตต้องลงดานหลกไม่หวานลายแหล่ลุ่นเหี้ยแผ่เต็มดง ตัวแขวงโคงป่าไม้ดูบ่อไร่ขี่สังนอพุดทั้งเจ้าฟ้าล่าสอดป่าดงไพรก้เอยเตียวไปบ่อจอดก่อไปรอตินดอยสูงจอยวอยสุดพอหินผากอกองกันเจ้าก็หันผีป่า อันหยาบเจ้าดวงลายตั้งยิงใจมวลหมู่ตั้งเฮือนอยู่หลายปันกันเข่าหันดอเต้าก็เอิ้นเป่ากันมาเถือศรัทธาเครื่องขามาเป็นตาเป็นสายตั้งยิงใจหนุ่มเทาแหลนอดเอ้าเป็นหมู่แห่นบาจูแหวดไวบ้บอกเฮ้เจ้านอไทยนีไปก็มีวันนั้นและนา นี่ที่ตัางขีญยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตสังสินธนูใจผูกตวนเจ็ดยังบ่อเ็จเสียงขาดก็ขอวาดวางลงก่อบังก้มสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล